พิสูจทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาสิทธิ์ของเราอย่างใดพึงทรงจําไว้อย่างนั้นเถิดอย่าบิดเบือนคําสอนนะจำคาสอนไว้อย่างไรก็จําเอาไว้ว่าตามนั้นแหละเนี่ยไม่ใช่โอ้ยจำไว้อย่างหนึ่งแล้วไปคนละเรื่องคนละราวเลยนะที่เร า, าขึ้นต้นเป็นมารีซอนแตกใบอ่อนเป็นมาลีลามาลีลาแปลว่าอะไรแปลว่าเชือกน้อยอันนั้น จะดอกมะลิมเป็นมะลิลาไปได้ยังไงเนี่ยอะมะลิลาก็คือรวบเชือกแบบพันเนาะนะเชือกยาวอะหรือไม่ก็เป็นดอกไม้คนละสายพันธุ์เลยใช่ไหมคือคือชันใดก็ดีเนี่ยการศึกษาธรรมะเนี่ยก็ควรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเอาเจตนารมณ์ของตัวเองมันพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ประสองค์อะไรพระองค์จึงสอนธ ร, รมกล่าวธรรมแล ะ, สะแสดงธรรมเนี่ยนะในอัถกถาอธิบายถึง ในหน้า305ปริยัติเนี่ยนะปริยัติแปลว่าการเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยมีอยู่3ประเภทด้วยกันในโลกนี้มีอยู่3ประเภทหนึ่งอรคทะปริยัตินิสรณธาปริยัติแล้วก็พันดาคาริสปริยัติพวกอลคทะปริยัติคืออะไรคือพวกที่เรียนพระพุทธพจน์ปรารถนาลาบสการะอถ้าเราเรียนอย่างนี้นะเราจะมีชื่อเสียง ถาเรียนอย่างนี้นะเราจากได้จีวณบินทบาทเสนาสนะนะขีลานะปัจจัยเภสัชบริหารทั้งหลายเราคนก็จะรู้จักเราในท่ามกลางภิกษุเนี่ยนะภิกษุก็จะรู้จักเราทั้งหมดภิกษุนีก็จะรู้จักเราอุบาสกอุบาสิกาทุกคนจะรู้จักเราเรียนเพื่อให้ได้ลาบสการะเนี่ยนะอันนี้ปริยัตเรียกว่าอลกัทธะปริยัตเรียนเพื่อลาบสการะสรรเสริญและชื่อเสียง จริงอยู่การไม่เล่าเรียนพระพุทธวจนะแล้วหลับเสียยังดีกว่าการเล่าเรียนเพื่อต้องการลาบสักการะเรียนเพื่อต้องการลาบสักการะสรนเสริญและชื่อเสียงนะหลับยังจะเร็วกว่าเร็วน้อยกว่าว่างั้นเถอะหลับเถอะหลับดีกว่าว่างั้นทำไมอ่ะเพราะว่าไม่ต้องไปตกนรกเพราะการการกระทำเหล่านั้นเป็นเหตุไม่ต้องจากทุกสู่ทุกเนี่ยนะเขาบอกว่าอะไรนะนอนเล่นอยู่เฉยเเนี่ยนะ นอนเล่นอยู่เฉยๆดีกว่าไปเป็นกบฏแผ่นดินใช่ไหมอันไหนดีกว่ากันเพราะเราเรียนปริยัติแบบนี้ก็เรียนเพื่อเป็นกบฏแผ่นดินนี้ก็เหมือนกันก็เป็นกบฏในพระพุทธศาสนาเป็นกบฏของพระพุทธเจ้านะถ้ากบฏแผ่นดินก็ยังเป็นแผ่นดินเฉพาะบางประเทศใช่ไหมอันนี้คือเรียกว่าเป็นกบฏในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราลโลกเรียกว่าเป็นมหเป็นโจรยิ่งกว่าโจรเป็นมหาโจรเหมือนกัน่ะเพราะอะไรปล้นคําสอนของ พระพุทธเจ้าโดยมีวัตถุประสงค์เป็นอื่นไม่เป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจา้าอันนั้นก็บอกว่าไปหลับเถอะ เ, เนี่ยนะหลับดีกว่าเลิกเรียนเถอะ ไ, ไปเลี้ยงอะไรก็ทำเถอะไปแทบปลูกต้นไม้ก็ได้เผื่อจะให้ร่มเงาให้ออกซิเจนแก่โลกบ้างะนะอย่าไปเรียนเลยว่างั้งนแต่ถ้าตรงกันข้ามล่ะ ส่วนพิกษุไลเล่าเรียนพระพุทธบัณนาะบำเพ็ญศีลในฐานะที่ศีลมาถึงเข้าเรียนตรงนี้เออเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้รักษาศีล น, นะตัวเองก็ตั้งใจที่จะรักษาศีลพอพุทธพจน์ตรงไหนที่บอกเรื่องสมาธิตัวเองก็ตั้งใจที่จะเจริญสมาธิตามนั้นตั้งวิปัสนาในพุทธพจน์ที่เป็นไปตามวิปัสนาใส่ใจตามพุทธพจน์เหล่านั้นทำมั่ให้เกิดทำผลให้แจ้ง ในฐานะที่พระพุทธเจ้าแสดงมรรคผลอันนี้แหละเรียกว่านิสรณอนิสรณะปริยัตเรียนเพื่อจะนําออกจากวัตะรู้เลยนะพุทธพจน์ตรงนี้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นวิปัสนาเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานเป็นวัตะเป็นวิวัตะใส่ใจใคร่ครวญตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่า นิสรณัฏฐะปริยัติเนี่ยนะาการเรียนอย่างเงี้ยแหละที่เขาอนุมโมทนาชื่นชมพระพุทธเจ้าเห็นแก่ประโยชน์ตรงนี้แหละพระองค์จึงสอนพระพุทธพจน์นะพระองค์เห็นคนกลุ่มนี้เนี่ยพระองค์จึงสอนพระพุทธพจน์เนี่ยนะเพราะเพื่อต้องการจะช่วยให้ผู้ที่มีโอกาสเนี่ยนะบอกผู้มีศรัทธาจงปล่อยโสดมาเถิดเพราะบุคคลเหล่านั้นถ้าเขาไม่ได้ฟังธรรมเขาก็จะ เสื่อมเมื่อเขาได้ฟังปรยิยติธรรมอย่างนี้สอนศีลสมาธิปัญญาสมถาวิปั ส, สนาเปิดประตูพระนิพพานเขาก็จะได้ตรัสรูบ้บรรลุมรรคผลนิพพานตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเขาก็จะยกตนให้พ้นจากวัตทุกข์ยกตนให้พ้นจา ก, ก, ก, จากสังสารทุกข์เห็นประโยชน์ตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนพระปริยัติธรรมและผู้ที่ศึกษาคําสอนก็ควรตั้งใจเอาไว้อย่างนี้เมื่อตั้งใจเอาไว้อย่างนี้ นั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขทั้งในปัจจุบันและต่อต่อไปเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดก็อย่างปัจจุบันก็เรียนเพื่อชําระศีลชําระทิฏฐิเรียนเพื่อชําระอกุศลวิตกเรียนเพื่อชําระสที่เรียกว่าชะล้างมิตรฉามมักให้อยู่ในสัมมามักแล้วก็เพิ่มกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพิ่มพูนสร้างอัธยาสัยสร้างอุปนิสัยให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเจริญงอกงามใน พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นต่อไปเนี่ยนะอันนี้แหละที่เป็นนิสรณะนิสรณะปริยัตหรือว่าเรียนเพื่อ น, นําออกจากทุกขเนี่ยนะเราก็มาตั้งใจดูว่าเออเรียนทําไมเนี่ยนะศึกษาคําสอนนี่เรียนทําไมเนี้ต่อไปปริยัติของพระขีณาสพคือพระอรหันต์ชื่อว่าพันดาคาริตรปริยัตเรียว่าขุนคลังแห่งธรรมเนี่ยนะคลังแห่งธรรมก็เรียกว่าคลังแห่งคลังแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทําไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่า ทุกขศาสตร์ที่ยังไม่กําหนดรู้สมุทัยที่ยังละไม่ได้มักที่ยังไม่ได้เจริญนิโรธที่ยังไม่ทําให้แจ้งไม่มีแก่พระขีณาศกนั้นพาหังนี่คือคนที่ทํากิจในอริยศาสตร์เสร็จแล้วใช่ไหมทุกที่ยังไม่กําหนดรู้พระาหังก็กําหนดรู้เสร็จแล้ว ทุกผ้าหังกําหนดรู้เสร็จแล้วสมุทัยท่านก็ละเสร็จแล้วอริยมรรคโสดาปติมรรคสกาธาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตมรรคท่านก็เจริญครบถ้วนบริบูรณ์แล้วนิโรธคือพระนิพพานพระองค์ก็ทําให้แจ้งเป็นอารามณปัจจัยของโสดาปติผลพระนิพพานที่เป็นอารามณปัจจัยของสกาธาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลเมื่อท่านทํากิจอย่างนั้นขันท่านก็กําหนดรู้ด้วยยาตะปริญญาตีรณปริญญา ปหานปริญญากิเลส ท, ท่านก็ละด้วยตะทางข้าประหารวิขมพนาประหารสมุดเฉตประหารอริยมรตท่านก็เจริญจนให้บริบูรณ์สามัญญผลสีก็ทําให้แจ้งเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นการเรียนพระพุทธวจนะเรียนพระไตรปิฎกของท่านจึงเป็นการเล่าเรียนเพื่อเป็นแบบแผนแบบแผนในการแทงตลอดอริยสัจแบบแผนในวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เห็นอริยสัจเป็นประเพณีของพระอริยเจ้า ที่ช่วยการสืบทอดเนี่ยนะก็เรียกว่าเหมือนกับจะ ร, รักษาวงประเพณีของพระพุทธเจ้าเอาไว้รักษาอริยะวงเนี่ยนะตามอนุรักษ์วงของพระอริยเจ้าใช่ไหมรักวงครับว่าอริยะวงนั่นเองปริยัติของท่านเหล่านั้นชื่อว่าพันดาคาริกะปริยัตินี่นะอันนี้สรุปว่าปริยัติมีสามอย่างหนึ่งอะะคทะปริยัติเรียนเพื่อลาบสาการะชื่อเสียงสรรเสริญเป็นต้นอันนี้ท่านบอกว่าหลับดีกว่า เพเหมือนกับจับอสรพิษที่หางเนี่ยนะตกอบายสุกติวินิบาตนรกแน่นอนเหมือนนส่วนอย่างที่สองถ้าเรียนเพื่อบรรลุมรรคผลอันนี้ควรตั้งอกตั้งใจควรศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะได้ถึงความพ้นทุกพลบสำหรับพรทริหรันทาสหันทั้งหลายก็เรียนรักษาวงประเพณีอั น, นเรียนเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้จะได้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทีนี้ถ้าหากถามว่า คันธุระไม่สามารถที่จะอยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งเพราะภัยคือความอดอยากยุ่งเหยเป็นต้นผู้ตุชนผู้ใดไม่ลำบากด้วยอาหารด้วยตัวเองก็เลยคิดว่าเราจะเล่าเรียนพระพุทธวจนะที่ภัยร้ออย่างยิ่งอย่าได้สูญเสียไปจะช่วยกันนำรงรักษาแบบแผนวงประเพณีเอาไว้ปริยัติของปุุ้ชนนั้นเป็นพันรดาค า, า, าริกะปริยัติหรือไม่เป็นตอบว่าไม่เป็น คือหมายคำว่าอตอนนี้าศาสนามันอยู่อยู่กระจุกเดียวอยู่ที่หนึ่งปุถุชนบางคนก็มาเด็ต้องการบรรลุมรรคผลอะไรเออเรามาช่วยกันเรียนนะเรียนรักษาแบบแอนวงประเพณีสืบทอดคําคสอนของพระพุทธเจ้าให้ยาวๆอย่างนี้ชื่อว่าเป็นปรรดาการิกไหมไม่เป็นถามว่าทําไมทําไมจึงไม่เป็นตอบว่าเพราะตนยังไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้บรรลุมรรคผลแล้วเล่าเรียนยังไม่ได้เป็นผ้าอรหรัน แ, แล้วเล่าเรียนจึงอยู่ปริยัดการเรียน พระไตรปิฎกของปุถุชนมีอยู่สองอย่างเท่านั้นหนึ่งอลคัทธะปริยัตเรียนเพื่อลาบสการะสรรเสริญชื่อเสียงเรียนเหมือนกับจับงูเห่าที่หางเนี่ยนะประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองเรียนเพื่อบรรลุมรรคผลแล้วก็มาถามใจเราเองอะนะใจเอ้ยเนี่ยนะท่องพุทธพจน์ทุกวันอรหังสัมมาสัมพุทโธพ ร, ระขวอยทิพิโสพระวาเป็นต้นเรียนทาไมนาเนี่ยนะ ใช่ไหมเอวเมสุตังเอกังสมยังปะกวาสาวัตยังวิหรารติสิป ต, ตนเนหรืออะไรก็ตามเถอะเนี่ยที่สวดๆที่สาธยายท่องบนนู้เรียนเยอะๆอ่านเล่มนั้นก็แล้วเล่มห น, น, น, นึ่งก็แล้วเรียนทําไมเนี่ยนะจะเอาอะไรกันแน่จากคําสอนเหล่านี้ลาบสการะชื่อเสียงอู้อ่านมาแล้วทั้งนั้นเอาไว้ขี้โม้โอ้อวดเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยหลับซะดีกว่าวางนั น, นอ่านหนังสือพิมพ์ก็ได้แต่อย่าหลับดีกว่ า, างนั้นเถอะมันไม่ค่อยเพื่อนบาปมากกินบุญเก่าก็ยังดี เพราะปุถุชนนั้นเรียนได้แค่2 อ, อย่างคือเรียนเพื่อลาบกับเรียนเพื่อออกจากภพมีอยู่สองอย่างส่วนพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยนะพระโสดาบันที่เรียกว่าเสขะโสดผู้ที่ดำรงอยู่ในโสดาปฏิมกักโสดาปฏิผลสกทาคามีมักสกทาคามีผลอนาคามีมกักอนาคามีผลและพระรหัตมักเนี่ยนะทั้งเจท่านเหล่านี้เรียนเพื่อออกจากภพอย่างเดียวอันนั้นมีอัธยาศัยออกจากภพส่วนปริยัตของพระขีณาศพ เช่นพระปริยัติของพระหมหากระสปะเป็นต้นเนี่ยนะปริยัติของภาษาริบุตรเป็นพันดาคาริกปริยัติเท่านั้นแต่ในที่นี้ที่พระพุทธเจ้าพูดถึงในในข้อความในตอนต้นที่เรียกว่าปริยัติ ด, ด้วยงูเห่าเนี่ยนะจับอสรพิษที่หางอันนั้นเป็นอาคักษัดู ป, ปะมะปริยัติเรียกว่าเรียนเพื่ออะไรลาบสการะชื่อเสียงและสรรเสริญเพราะฉะนั้นไม่พูดถึงนะข้อแรกนั้นจึงเน้นไปพิเศษไปที่เรียนเพื่อเพื่ออะไร ไม่ได้เรียนเพื่อบรรลุมรคผลก็เลยกล่าวว่าส่วนอนธิบายเพิ่มเติมอีกข้อหนึ่งที่บอกว่านิชานังคมันติเนี่ยนะนีหมายถึงปริยัตของพระอริยเจ้าหรือผู้ที่เรียนเพื่อบรรลุมรคผลเนี่ยนะนิสรณธาประยัตในบาลีข้อส7ที่บอกว่านิชานางนิชานังคมันติ น, นะทำทั้งหลาย คือปริยัติธรรมนั้นก็มาปรากฏในสถานที่ต่างๆว่าศีลพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงนี้สมาธิพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงนี้วิปัสนาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงนี้อริยมรรคพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงนี้อริยผลพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงนี้ตรงนี้เป็นวัตตะตรงนี้เป็นวิวัตตะมันเมื่อกุลบุตรเหล่านั้นเล่าเรียนเพื่อประโยชน์แก่การบรรลุมรรคผลใดกุลบุตรนั้นก็สามารถทำมรรคให้เกิดทําผลให้แจ้งได้รับประโยชน์คือคืออะไร ประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานเพราะอะไรเพราะเรียนไว้ดีเพราะตั้งใจเรียนไว้ดีตั้งใจเรียนไว้อย่างถูกต้องชําระทิฏฐิชําระอัธยาสัยของตัวเองให้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่ า, เ, าเรียนเพื่อสําเร็จประสงค์ตามที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ แม้ไม่สามารถจะยกโทษในวาทะของผู้อื่นก็ดีไม่สามารถจะถือเอาฐานะที่ตนปรารถนาแล้วปรารถนาอีกเรื่องโทษที่เขายกในวาทะของตนก็ดีชื่อว่าเสวยประโยชน์นั้นเหมือนกันที่จริงแล้วก็ผู้ที่เรียนไวด้ดีเรียนไว้ไวถูกต้องอะนะไม่มีใครเขาตามกลตามด่าลอกแล้วไม่ต้องเรียนไว้เพื่อแก้ตัวเรียนเพื่ออะไรทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะเข้าถึงประโยชน์ที่ดีเยี่ยมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อ เรียนอย่างนี้ถีคารตังหิตายสุขายะสังวัตตันติเมื่อบำเพ็ญศีลในฐานะแห่งศีลที่มาเจริญสมาธิในฐานะที่สมาธิมาเจริญมิปัสสนาในฐานะที่ วิปัสสนามายกโทษวาทะของผู้อื่นโดยชอบตามธรรมก็คือช่วยแก้ต่างช่วยรักษาพระธรรมวินัยเอาไว้เปลื่องโทษจากวาทะของตนบรรลุผ้าหันแล้วแสดงธรรมท่ามกลางบริษัทบริโภคปัจใจสี่ที่คนเลื่อมใสในพระธรรมเทศานาน้อมมาถวายอันนั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานแต่ก็ตรงนี้ก็ไม่ได้ถึงกับปฏิเสธว่าเออเนี่ยเรียนแล้วต้องไม่เอาอะไรนะเขาถวายอะไรก็ต้องไม่รับโดยประการทั้งปวงเลยเนี่ยนะ อ้างตนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงไม่รับอะไรสักนิดเดียวเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยนะก็หมายความว่าถ้าเขาถวายก็รับไปอะไรไปแต่ก็ประพฤติไปตามธรรมตามวินยัยตามคําสอนอันนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขนั้นการเรียนพระพุทธว จ, จะนะแบบนี้แหละเป็นการเรียนที่เรียนเอาไวด้ดีเนี่ยนะเรียนเอาไวด้ดีไม่ได้เรียนแบบงูพิษเนี่ยนะไม่ได้เรียนเหมือนกับเรียนเพื่อจับงูพิษให้งูพิษเนี่ยกัดเอาเนี่ยนะ นี่ก็ส่วนข้อความต่อไปก็เป็นตอนบ่ายกาันละกันเจนพรานวันนั้นก็ด้วยผลแห่งธรรมที่เราได้ตั้งใจฟังเลยนะก็ขอให้ได้รับประโยชน์คือนิสรณะปริยัตะโดยทุนนากการจะได้เป็นอะคธ ะ, ะปริยัติโดยประการทั้งปวงตลอดไปอนุโมทนาด้วยนะ